ผมมองว่ามันยังพอจะเอาความร้อนมาทําความสุขได้ไหมยอยากแก้ปัญหาก่อนผมมองว้มันยังพอจะเอาความร้อนมาทําความสุขได้ไหมอยากแก้ปัญหาก่อนผมมองว้มันยังพอจะเอาความร้อนมาทําความสุขได้ไหมอยากแก้ปัญหาก่อน